เพื่อเป็นเครื่องขูดเกลาวเอาขนาดหนึ่งมันไม่พอนะเอาทุดงขวัตเข้าใส่มันจึงแก้ได้ทุดงขวัตนี้ก็เป็นของสาคัญอยู่บางคนเอาศีลเอาสมาธิฆ่ามันก็ไม่ได้ไม่เป็นต้องเอาทุดงขวัตเข้าช่วยอย่างนั้นทุดงขวัตมันตัดหลายอย่างเช่นบางทีให้อยู่โคนต้นไม้อยู่โคนต้นไม้ก็ไม่ผิดศีล